สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปียสุตอนที่สี่ร้อยเจ็ดสิบสามคำอธิษฐานของพเปียซูครั้งที่สองในยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดนี้ได้แบ่งเป็นสามตอนด้วยกัน ตอนแรกเป็นคําอธิษฐานของพระเยซูที่ได้อธิษฐานเกี่ยวกับพระเกียรติของพระองค์เองตอนที่สองก็จะเป็นตอนที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกในสมัยนั้นและตอนสุดท้ายก็จะเป็นตอนที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อพวกเราและสาวกทุกยุคทุกสมัยเห็นนะครับเมื่อวานนี้แด้เชิญพระจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าในเช้าวันนี้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 คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องคเดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาข้าพระง์ได้ถวายเกียบบรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระงได้กระทํากิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระงกระทํานั้นสําเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าขา้าขอทรงโปรดให้ข้าพระงได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระง์ได้มีส่วนร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา เพรานี้ผมได้พูดถึงเตเรการุภาพนะครับก็คือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรซึ่งทั้งสองพระภาคของเตเรการุภาพนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและในข้อที่ห้าทำให้เราเห็นว่าพระเยซูนั้นพปร่งมีเกยียรติที่ร่วมกับพระบิดาก่อนที่โลกนี้จะมีมาพี่น้องครับในเช้าวันนี้ ผมอยากจะต่อจากเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของเกียร์ได้มาด้วยความการทนทุกข์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า suffering เกียร์นั้นได้มาด้วยการทนทุกข์พินันค์พระโพนิญของพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าแม้ว่าพระเยซูมาเพื่อที่จะทำให้เราทั้งหลายได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบข้อที่สิบก็คือความชื่นชมอินดีและสันดิสุข แต่ในขณะเดียวกันครับโลกนี้เป็นโลกที่เสื่อมซามลงและความบาปทั้งหลายทําให้ผู้เสียนนั้นจะต้องรับบางสิ่งบางอย่างจากความบาปนั้นจากคนที่ทําบาปจากการเสือเส่อมโทรมเสื่อมซามของธรรมชาติที่เกิดจากความผิดความบาปทําให้ชีวิตนั้นทั้งคนที่เป็นผูสเสียนและไม่เป็นผู้เสียน จะได้รับความทุกข์ยากลำบาก <c oughs> จะต้องทนทุกข์ในขณะเดียวกันเมื่อคริสเตียมีความเชื่อพึ่งพาในพระเจ้าก็า จ, จะเกิดการข่มเหงการทนทุกข์มากกว่าคนที่ไม่เชื่อคริสเตียนไม่เชื่อพระเจ้า ไ, ไม่ได้เป็นคริสเตียนในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะอ้างอิงถึงข้อพระมุทีที่เกี่ยวข้องในหลายๆตอนด้วยกันพระมพีที่เกี่ยวข้อง กับการทนทุกข์หลายๆตอนเพื่อที่จะนุนจิตชูใจพี่น้องหละยๆท่านที่ประสบกับความทุกข์ยากลาบากประสบกับปัญหาอุปสรรคประสบกับสิ่งต่างๆที่ทําให้ชีวิตเรานั้นขาดความสุขทําให้เราเครียดทําให้เรากังวลทําให้เราท้อทแท้ทําให้เรากขมขืน่นพี่น้องครับโปรดฟัง พ, พระเจ้าต่อไปนี้ในพระดำยาตอบ บทที่หนึ่งข้อที่สองถึงข้อที่สี่ยัดกอบเขียนให้พวกเราทั้งหลายได้อ่านความว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะทั้งหลายรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงและจงให้ความหนักแน่นมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยเพื่นร่วมข่าวโพลจะนับพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนมากครับความทุกข์ยากลําบากซึ่งเราต้องทนอยู่นั้นเป็นการทดลองทดสอบความเชื่อของเราให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงหลายลครั้งอาจจะมีความสงสัยหลายหลาครั้งเรามีความลวนเร เราแปลแปรวนเราเปลี่ยนแปลงแต่ความทุกข์ยากลําบากนั้นทําให้เราหนักแน่นมั่นคงครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่านความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นความเชื่อของเรานั้นก็จะหนักแน่นมั่นคงความเชื่อของเรานั้นก็จะลงหลักปักฐานบรรลุผลอันสมบูรณ์เพื่อเราจะเป็นคนดีพร้อมพระเจ้าพระเจ้าตอนต่อไปเราก็จะเห็นมากขึ้นครับอยู่ในพระธรรมย้อนบทที่สิบห้า ข้อที่สิบแปดข้อสิบเก้าโปรดฟังพระญาะของพระเจ้ายอนบทที่สิบห้าข้อสิบแปดถึงสิบเก้าถ้าโลกนี้เกียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกียดชังเราก่อนถ้าทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเพราะนั้น โลกจึงเกลียดชังท่านนะครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ทําให้เรารู้ครับว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ชาวโลกหรือโลกซึ่งเต็มไปด้วยความบาปทําบาปก็จะเกลียดชังเราอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้เป็นของโลกครับพระเยซูตรัสว่าถ้าเราทั้งหลายเป็นของโลกเราเราก็จะเป็นที่รักของโลกแต่เพราะเราไม่ใช่ของโลกโลกจึงเกลียดเรา เพราะเรามีแนวคิดมีทัศนคติที่ไปด้วยกันไม่ได้กับโลกนั้นด้วยเหตุ น, นี้ชีวิตของเราทั้งหลายจะต้องเป็นชีวิตที่เซปเปเรตหมายความว่าแยกตัวนะครับแยกตัวในเรื่องของความบริสุทธิ์อดทนรับการกดขี่ข่มเหงรับการเกลียดชังจากคนอื่นซึ่งเราไม่สามารถทำแบบเข้าได้ ข้อที่ว่าเราเองนั้นไม่ใช่เป็นของโลกพี่น้องครับถ้าเรามีความอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกันกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็ทรงไม่ยอมรับเราเช่นเดียวกันอันนี้ปรากฏอยู่ในพจนะพระเจ้าสองโมทีบทที่สองข้อที่สิบสองขอให้เราอดทนนะครับเราก็จะได้รับําเหน็จเราก็จะได้รับ เราก็จะได้ครองร่วมกันกับพระองค์แต่ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ยอมรับเราเช่นเดียวกันครับพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเก้าเป็นข้อความที่หนุนใจเราครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อยี่สิบเก้าเพราะพระเจ้าได้ทรงโกรธแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระกิดมิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้น แปใ้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงโปรดเราให้เราที่จะทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์นี่คือสิทธิพิเศษครับเป็นเกียรติที่เราทั้งหลายได้ร่วมทนทุกข์กับองค์พระเยซูคริสพอจะนะั่งพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับ ในพระธรรมยากรบทที่สองข้อที่ห้าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าได้ทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือตรงนี้พูดถึงชัดเจนครับว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่ยากจนในโลกนี้หมายถึงคนที่ยอยโอกาส คนที่เป็นชนชั้นล่างของสังคมให้เป็นชนชั้นสูงในความเชื่อครับและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินของพระเจ้าที่พรวงทรงสัญญาไว้ท่ังครับพระว จ, จนะพระเจ้าตอนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างออกเชิงประชดประชันเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับแบบตรงกันข้ามเลยก็คือคนยากจน ในโลกนี้ยากจนทรัพสมบัติแต่กลับกลายเป็นคนมั่งมีในความเชื่อและในขณะเดียวกันเขาจะเป็นคนที่รับมรดกหมายความว่าเมื่อมีความมั่งมีในความเชื่อไม่มีความเชื่อมากมรดกในแผ่นดินของพระเจ้าเขาก็จะมากครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้พระกัมพีพอตอนหนึ่งครับที่จะหนุนจิตชูใจพี่น้องที่ยังมีความทุกข์ยากลาบากอยู่นะครับท่านอาจารย์บะโลได้กล่าว เพราะท่านอยากจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นขึ้นเหนือความตายในคดี ป, ปีบทที่สามคดีสิบท่านอาคาทูดเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาอาธิบายว่าอารมณ์ตายนั้น คืออะไรแต่ก่อนที่จะจากกันวันนี้ครับให้เรามาดูความปรารถนาของท่านอคาตูปเปาโลความปรารถนาของของท่านเปาโลนั้นคือปรารถนาอยากที่จะรู้จักกับพระเยซูอยากที่จะรู้จักกับพระเยซูและรับประสบการณ์จากพระเยซูในเรื่องอะไรครับในเรื่องฤทธิเดชฤทธิเดชที่พระเยซูเป็นให้เมียความตายครับ ฤทธิเดชที่พระเยซูไปช่วยในความตายทั่นหมายความว่าฤทธิเดชที่พระเยซูนั้นยังทรงรชนอยู่พระองค์ช่วยได้และร่วมทุกข์กับพระองค์หมายความว่าร่วมอดทนครับร่วมทนความทุกข์ยากลาบากพร้อมกับพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเรานะครับหรือพาะ อ, อย่างยิ่งพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่พี่น้องที่ประสบกับปัญหาพี่น้องที่กําลังมีความทุกข์ยาก ให้ได้มีกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางโภชนะนี้ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน